สวัสดีค่ะน้องแอนนะคะในทุกๆวันผิวของเราต้องสัมผัสกับอะไรสิ่งหลายๆอย่างซึ่งเป็นอันตรายและไม่มีคุณภาพรวมทั้งสารเคมีสารพิษมลพิษและรังสี UV ค่ะผลที่ได้รับจะทําให้ผิวแห้งกลาดถูกทําลายเต็มไปด้วยริ้วรอยร่องลึกจุดด่างดําในเวลาผ่านไปค่ะวันนี้เรามาเปิดผิวใสไร้าการเพึ่งแอปพลิเคชันโดยเซรั่มฟองเบียผสมน้ํำพึ่งเรียน5 Dn s t o r i n g หลังจากที่เราทําความสะอาดผิวหน้าแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ เซรั่มไม่ทั่วใบหน้าและลำคอเซรั่มฟองเบียร์ผสมน้ำผึ้งด้วยสารสกัดออนโยนจากธรรมชาติยอดข้าวบาเล่มอและน้ำผึ้งเดือน5สูตรเข้มข้นช่วยฟื้นบำรุงผิวทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นดูกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำชะลอการเกิดริ้วรอยทำให้หน้าเด็กดูอ่อนกว่าวัยค่ะเซรั่มฟองเบียร์ผสมน้าผึ้งเดือนห้ n s o ค่ะ